ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาความประชัยของมารถามว่าการที่พระมหาบุรุษนั้นสละราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่อยู่ในอุ้งพระหัต ในครั้งนั้นแล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญเพียรที่ทำได้ยากอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะเอาชนะมารทั้งสามคือกิเลสมารมัจจุมารและเทวบุตรมารเมื่อกล่าวถึงกิเลสมารก็เป็นอันกล่าวถึงอภิสังขารมารด้วยเพราะกิเลสมารและกรรมกิเลสและกรรมนั้นเป็นสิ่งเนื่องกันและเมื่อกล่าวถึงมัจจุมารก็เป็นอันกล่าวถึงขัน ขันธมารด้วยเพราะเมื่อมีขันนั่นแหละจึงทําให้ต้องตายเป็นอันว่าทั้งเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าได้พร้อมทั้งพลมารและเถนามารถามว่าการเอาชนะมารมีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะได้ยกสเสวตฉัตรทั้งสามขึ้นในพุทธเขตทั้งสามในพุทธเขตทั้งสามแห่ง ถือเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือต้องเป็นพระสัมาสาัมพุทธเจ้านะเป็นพุทธสมบัติถามว่าการถือเอาพุทธสมบัติของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะทำการสั่งสอนพร่ำสอนสัตว์โลกทั้งสิน้นถามว่าการสั่งสอนพร่ำสอนมีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะให้ได้ยานัทธสนะ ถามว่าการได้ยา น, นัทัศนะมีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีอนุปาทาปรินิพานเป็นประโยชน์นางที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการสนทนาการมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาการมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพานพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนี้เมื่อจะทรงทำอนุปาทาปรินิพานให้สำเร็จแก่คนผู้ทำตามคำสอนของพระองค์และแก่สัตว์ทั้งปวง จึงทรงยกเวตฉาดทั้งสามคือสเวตฉตรอันเป็นของมนุษย์เวตฉตดอันเป็นทิพย์เวตฉตรคือวิมุตติขึ้นในพุทธเขตทั้งสามคือชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขตแล้วทรงรบกับวัสวัตตีมานเพื่อชิงสมบัติของพระพุทธเจา้าปราบมานั้นให้พ่ายแพ้แล้วพระพุทธรกิตาจารย์เมื่อจะแสดงเรื่องนั้นจึงกล่าวว่า พระมหาบรุษดำริว่าเราได้สเสวตฉัตรสามอย่างในพุทธเขตสามแห่งแล้วพึงเป็นอธิปดีของโลกเสด็จไปประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวบนอาสนะที่ใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้ที่ต้นโพเพื่อจะต่อสู้กับมารในครั้งนั้นพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระบิดาทรงมอบราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์นอบน้อมด้วยเสีย นอบน้อมด้วยพระเศียรทรงบูชาแล้วด้วยสเสวตชัดเท้าสามบดีบมหาพรหมทรงพร้อมเพียงเป็นอันเดียวกันกันกบเทวดาและพรหมทั้งหลายมอบราชสมบัติในวิสัยของของตนแล้วบูชาด้วยฉัตพระมหาบุรุษเองทรงพลังนารายณนะก็คือกำลังของนารายทรงสำเร็จอภิญญาพล ะ, ะเสด็จมาสู่โพธิมณฑล เพื่อเอาชนะให้แก่โลกทั้งปวงในครั้งนั้นท้าววัรวัตีผู้เป็นใหญ่ในการมาวจรสวรรค์หกชั้นพร้อมทั้งกำลังพลและพาหนะได้เสด็จมาสู่โพธิมณฑลเพื่อจะรบพวกท่านจงมาจงพวกท่านท้าววัศวัตตีมารก็ได้กล่าวกับพวกเสนามารทั้งหลายว่าพวกท่านจงมาจงพันธนาการ โยนคนเลวนี้ทิ้งเถิดทิ้งเสถิดเขาเกิดในเปลือกตมคือมนุษย์ก็ไม่สำคัญว่าข้าเป็นอะไรถ้าวะสวัสดีได้ทำฝน9ก้าอย่างที่ลุกโพลงเป็นอันมากให้ตกลงมาทำให้มืดมิดเพราะควันแล้วทำสายฟ้าเป็นอันมากให้ตกลงแม้โยนจั ก, กราวุธลงไปก็ไม่สามารถทำอะไรอะไรได้เมื่อไม่เห็นสิ่งที่ควรจะถือเอาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า สิท ธ, ธัถะท่านนั่งอยู่ทำไมจงลุกขึ้นถ้าไม่ลุกขึ้นเราจะพาหัวใจของท่านพระมหาุรุษทรงมีความเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์อื่นได้มองดูมานั้นเหมือนบิดามองดูบุตรน้อยผู้เล่นอยู่ใกล้เท้าของตนในครั้งนั้นพระมูนีนั้นได้บรรลือศีหนาถเป็นอาสพิวาจาว่ามารผู้ชั่วช้านี้ไม่รู้ว่าตนเองเป็นทาตของเรา มานั้นเกิดในเทวบุรีอันประเสริฐเพราะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้คติของตนจึงสำคัญว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกก็กรรมอันงามที่สัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดกระทำแล้วยังไม่ถึงเสี่ยวที่สิบหกแม้แห่งบา ร, รมีอย่างหนึ่งของเราเราเกิดเป็นกระต่ายสัตวรัจานเห็นยาจกเดินมาจึงกระโดดลงไปในกองไฟ ปิ้งเนื้อของตนให้เป็นทานก็ใครๆอื่นที่มีเจตนาประมาณน้อยพึ่งกระทํากรรมที่ทําได้ยากยิ่งซึ่งเรากระทําแล้วในการอันไม่มีที่สุดอย่างนี้ได้บ้างก็มนุษย์ผู้ไม่รู้จักร่างกายนี้ตามความเป็นจริงก็มนุษย์ผู้ไม่รู้จักร่างกายนี้ตามความเป็นจริงว่าสําเร็จมาเพราะบุญกรรมอันไม่มีที่สุดอย่างนี้จึงสําคัญว่าท่านเป็นมนุษย์ เราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อมนุษย์ไม่ใช่พรหมและไม่ใช่เทวดาแต่มาในที่นี้เพื่อแสดงชราและมรณะแก่ชาวโลกเราเกิดมาไม่แปดเปื้อนกับโลกเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพระพุทธเจ้าในร่มแห่งโพพฤกแล้วจะยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามไปเราเห็นมารขี่พาหนะยกกองทัพเตรียมพร้อมรบรอบด้านแล้วจึงขอประจันหน้า มารอย่าหวังที่จะให้เราลุกจากที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเอาชนะกองทัพของท่านไม่ได้เราจะใช้ปัญญาเข้าหากองทัพของท่านเหมือนคนใช้ก้อนหินทุบภาชนะดินดิดและพาชนะดินเผาเมื่อเราปรารถนาก็จะเดินไปมาในห้องคือเมล็ดพันธุ์ประกาศได้เมื่อปรารถนาก็จะปกปิดโลกธาตุ้วยอัตภาพได้เรามีกำลังและความสามารถ ที่จะจับมารและเสนามารเหล่านี้ทั้งหมดแล้วขยี้ให้แหลกด้วยนิ้วมือได้แต่เราไม่ชอบใจการฆ่าสัตว์มีประโยชน์อะไรด้วยกำลังด้วยอาวุธแก่ใต้เดือนนี้แม้การพูดแม้การพูดคุยกับคนชั่วนั้นเราก็ไม่ชอบใจเลยประโยชน์อะไรด้วยความขอโทษครับประโยชน์อะไรด้วยพยานอื่นเพื่อความพอใจในบัลลังก์ของเราแผ่นดินนี้เคยไหวมาแล้ว เพราะการให้พระนางมัซีย่อมเป็นพยานได้พระมหาบุรุษครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้เหยียดพระหัตถ์ขวาไปทางแผ่นดินทันใดนั้นแผ่นดินก็วันไหวเกิดเสียงกึกกร้องใหญ่สายฟ้าคำรนคำรามในอากาศฟาดลงมาพร้อมกับเสียงกึกก้องของแผ่นดินมารพร้อมด้วยเหล่าเสนาถูกคุก ค, คามอยู่พากันหนีไปในท่ามกลางนั้น มารและพยามานนั้นถูกทำให้กระจัดกระจายไปเหมือนกีเา่าที่ถูกลมใหญ่พัดฟุ้งไปได้เกิดเสียงดังกึกก้องขึ้นว่าพระสิทธัตถะมีชัยชนะในคาถาเหล่านั้นคำว่าติพุทธเขตตามหิติเสตะฉัดตังสเสวตฉัดสามอย่างในพุทธเขตสามแห่งนี้มีอธิบายว่า ก็เพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลมาในวันอันเป็นมงคลหลายวันนี้มาในวันอันเป็นมงคลทั้งหลายในวันนี้วันที่พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิวันที่พระมหาบุรุษประสูดวันที่พระมหาบุตรได้รับการตั้งพระนาม วันที่พระมหาบุรุษัเด็จเข้าพระราชวังวันที่พระมหาบรุษัทรงอภิเษกแล้วประชุมพร้อมกันในห้องจั ก, กรวาล น, นี้กระทำมงคลพร้อมกับพวกมนุษย์ฉะนั้นเหตุนี้จึงชื่อว่ามงคลจั ก, กรวาลก็คือเป็นจั ก, กรวาลที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นที่ที่พวกเทวดาพรหมทั้งหลายแห่ห่อห้อมล้อมเพื่อจะทํามงคลแก่พระมหาบรุษ ก็เพราะในวันที่พระมหาบรุษนั้นประสูนติสหัสีโลกธาตุได้วันไหวแล้วก็คือหมื่นโลกธาตุนั่นเองเทวดาและพรหมทั้งหลายในโลกธาตุเหล่านั้นได้พากันมาทาหน้าที่เป็นผู้รับใช้ฉะนั้นสิบสหัสีโลกธาตุจึงชื่อว่าชาติเขตก็เพราะอาณาในพระสูติทั้งหลายมีรัตนสูตรเป็นต้นอันอมนุษย์ทั้งหลายในแสนโกจักรวาลรับแล้ว ฉะนั้นการที่เทวดาทั้งหลายรับอาณานี้จึงชื่อว่าอาณาเขตก็คืออำนาจของรัตนสูตรเป็นต้นพรนะประิทั้งหลายเนี่ยครอบคลุมไปถึงจกกักรวาลทั้งหลายอันไม่มีที่สิ้นสุดชื่อว่าวิสัยเขตเนื่องจากไม่มีสิ่งที่มิใช่วิสัยแห่งอานาวรณญาณของพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษทรงเดิมฤวัว่าเราได้คือได้รับได้แก่ให้ยกสเสวิตชัติสามอย่าง คือสเวตตะชัดของมนุษย์สเวตตะชัดอันเป็นทิพย์สเวตตะชัดคือวิมุตติขึ้นในพุทธเขตสามแห่งอย่างนี้แล้วพึงเป็นอธิบดีของโลกอย่างไม่มีเหลือจึงไปประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวบนอาสนะที่ใครใคให้พ่ายแพ้ไม่ได้คือบนบันลังที่ใครใคให้พ่ายแพ้ไม่ได้ที่โคนต้นโพเพื่อจะตรงต่อสู้กับมารบรรดาสเวตตชัดสามอย่าง ที่พระมหาบรุษทรงยกขึ้นในพุทธเขตสามแห่งนั้นเพื่อจะแสดงสเสวตฉัตรอันเป็นของมนุษย์ก่อนพระพุทธรคิตอาจารย์จึงกล่าวคาถาว่านัตตวานะามานุสังรัชังทรงมอบราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เป็นต้นต่อจากนั้นเพื่อจะแสดงสเสวตฉัตรอันเป็นทิพย์พระพุทธรคิตอาจารย์จึงกล่าวคาถาว่าสหัปติมหาบรมมาเท้าสหับดีมหาพรหมเป็นต้น บัตรนี้เพื่อแสดงว่าพระมหาบุรุษท ร, ทรงยกสเสวตชัตดถือวิมุตติเองแล้วทรงถือเอาพุทธสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธรักกิจอาจารย์จึงกล่าวคาถาว่าสยังนารายณะพโลพระมหาบุรุษเองทรงพลังนารายณะเป็นต้นในคํานั้นมีใต้คํายคขยายความโดยลําดับดังต่อไปนี้ เวลาที่พระมหาบุรุษนั้นเสด็จเข้าไปถึงโพธิมณฑลเป็นวันวิสาขะปุณณมีจากนั้นในเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีช่วงต้นพระมหาบรุษได้เห็นมหาสุบินห้าข้อนี้ในมหาสุบินห้าข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้ว่าติ๊กสุดทั้งหลายการที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรุ ขุนเขาหิมวันเป็นขนเลยคือเป็นหมอนมือซ้ายห ย, ย, ย่อนลงในทะเลด้านทิศตะวันวออกมือขวาหย่อนลงในทะเลด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในทะเลด้านทิศใต้นี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งปรากฏเพื่อให้รู้การที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตัดสรู้พระสัมมาสัมพธิธญาณอันยอดเยี่ยม การที่ยา่าแพรกงอกขึ้นจากนาผีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรู้ตั้งโจดท้องฟ้านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองประกาศเพื่อให้รู้การที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตัดสรุปอริยมรรคมีองค์แปดจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้ดี การที่หมู่นอนสีขาวมีหัวดำไตขึ้นมาจากเท้าของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุ้ผู้เป็นพระโพลษัต์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรุปปกปิดตั้งแต่ปลายเล็บจนถึงบริเวณพระชานุนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สามปรากฏเพื่อให้รู้การที่กระถัดผู้นุ่งผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงพระตถาคตเป็นสรระจนตลอดชีวิต การที่นกสี่เหล่ามีสีต่างๆกันคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุ้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรุ้แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ปรากฏเพื่อให้รู้การที่วรรณะทั้งสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทตูตออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่ครองเรือน ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมการที่พระตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสุผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสุ้เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนในคูดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าปรากฏเพื่อให้รู้การที่พระตถาคตได้จีวรบิณฑบาตเสนาธนะ แม่กี้ลาณปัจจัยเพยตัดบริการแล้วบริโภคโดยไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกดูก่อนที่สุดทั้งหลายมหาสุบินห้าข้อนี้ปรากฏแล้วแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุ้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรู้พระมหาบุรุษครั้นทรงเห็นมหาสุบินห้าข้อนี้อย่างนี้แล้ว ทรงแก้ตุบินด้วยพระองค์เองว่าในวันนี้เราจักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยพอราตรีนั้นล่วงไปได้ทรงชำระพระสรีระแต่เช้าตรูเสด็จดำเนินไปประทับนั่งทิ่โนต้นอชะาปาระนิโครผินพระพักไปทางทิศตะวันออกรอเวลาพิกขาจาร์ครั้งนั้นหญิงคนหนึ่งชื่อสุชาดาทิดาของเสนาณีกุดมพี ในหมู่บ้านเสนา น, นิคมเขตตำบลอุรุเวลาเจริญไวัยแล้วตั้งความปรารถนาไว้ที่โคนต้นนิโครธนั้นว่าถ้าเราไปตู่เรือนแห่งตระกูลที่มีชาติเสมอกันแล้วได้บุตรชายในท้องแรกก็จะทมพลีกรรมด้วยข้าปายาตที่หุงผสมน้ำนมก็ความปรารถนาของนางได้สำเร็จแล้วนางได้ให้แม่โคนมร้อยตัวเคี้ยวกินดงชะเอมเถา ให้ลูกโคเพศเมียของแม่โคเหล่านั้นเคี้ยวกินดงเฉลิมเถาเช่นเดียวกันให้ลูกโคเพศเมียของแม่โคนมรุ่นต่อมาเหล่านั้นเคี้ยวกินดงเฉลิมเถาเช่นเดียวกันอีกแล้วรีดเอาน้ํานมจากแม่โคนมที่สืบต่อกันมาโดยลูกหลานเจ็ดช่วงนางพันนนามาชนีแล้วเริ่มหุงข้าวปายาดเชือด้วยน้ํานมโคในขณะนั้น มหาพรหมได้กั้นเวิตชัติกว้างประมาณสามโยศไว้ข้างบนเทา้าส ก, กเทวราชได้ก่อไฟพวกเทวดาใส่รสชาติที่มีอยู่ในโลกทั้งสิ้นเข้าในข้าวปลายาตนั้นข้าปลายาตสุกเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรนาสุชาดาพอเห็นข้าปลายาตที่เป็นทักษิณาวัตนั้นก็ดีใจแล้วคิดว่าวันนี้เหล่าเทวดาของพวกเราใจดีเหลือเกิน ลำดับนั้นนางปุนาธาสีแม่นมของนางสุชาดาซึ่งถูกส่งไปทำความสะอาดโคนต้นไม้ได้พบเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งทอดพระเนตรดูโลกธาตุทางทิศปาจีนผู้งดงามด้วยพระวรกายดุจยอดคีรีทองที่เรืองรองด้วยแสงสนทยาผู้เป็นดวงทินกรแห่งพระมุนีเข้าประทับอยู่ที่ต้นไม้อันประเสริฐดุจ ด, ด, ดวงที่วากอนที่ฝังตัวลงในม่านความมืด โผมาสัมผัสดงดอกบัวให้แย้มบานแล้วหลบเข้าลืบเมฆและได้เห็นต้นไม้นั้นทั้งต้นมีสีดุดทองคําเพราะแสงสว่างที่สั้นออกจากพระวรกายของพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นแล้วนางปุนาทาสีได้มีความคิดดังนี้ว่าวันนี้เทวดาของพวกเราลงมาจากต้นไม้มานั่งประสงค์จะรับพรีกรรมด้วยมือของตนเอง นางจึงรีบกลับไปบอกนางสุชาดาลำดับนั้นนางสุชาดาเกิดศรัท ธ, ธาพร้อมแล้วได้ตกแต่งตนด้วยเครื่องประดับทุกอย่างให้คนรับใช้บรรจุข้าวมะทุปายาตรสอร่อยยิ่งลงในถาดทองมีราคาถึงหนึ่งแสนจนเต็มแล้วก็เอาถาดทองอีกถาดหนึ่งปิดไว้เทินไว้บนศรีรษะตนเองเดินมุ่งหน้าตรงไปยังต้นนิโครธขณะนางเดินไปก็ได้เห็นพระมหาศัต ผู้ประทับนั่งงดงามด้วยกองบุญทำต้นไม้นั้นทั้งต้นให้มีสีดุดทองคำด้วยรัศมีจากพระตรีระดุดรุกขเทวดาแต่ไกลแล้วก็เกิดปีติโสมนัตเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาจึงน้อมตัวลงตั้งแต่ที่ที่ตนตกลงใจแล้วเดินเข้าไปยกถาดทองคำนั้นลงจากศรีรษะแล้ววางไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาสัตว์ไหว้ด้วยเบญจังฆประดิษฐ์กล่าวว่า ขอให้มโนรถของท่านจงสำเร็จเหมือนอย่างที่มโนรถของดิฉันสำเร็จแล้วเถิดแล้วก็หลีกไปลำดับ น, นั้นพระโพธิสัตว์ทรงถือถาดทองคำสเสด็จดาเนินไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองคำไว้ที่ฝั่งท่าน้ำชื่อสุ ป, ปติติตตะสุปติ์นั่นเองสงสนานแล้วสเสด็จขึ้นมาประทับนั่งที่ร่มเงาประทับนั่งที่ร่มเงาอันเย็นสบาย ทรงปั้นข้าวเป็นก้อนได้สี่สิบเก้าก้อนแล้วทรงสวยข้าวปายาดนั้นแล้วทรงลอยถาดลงไปพร้อมกับทรงอธิษฐานว่าถ้าวันนี้เราจะตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคำนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถาดนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำไปถึงพบของกาลนาคราชได้กระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนแล้วก็ซ้อนใต้ถาดทั้งสามใบนั้น ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ประทับพักผ่อนกลางวันในป่าสาละอันรื่นรมใจมีสีเขียวสดออกดอกกลิ่นหอมอย่างยิ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญเพียรจนเกิดสมาบา 8, ัติแปดอภิญญาห้าแล้วเสด็จดำเนินไปตามหนทางที่ลาวเทวดาตกแต่งแล้วในเวลาเยน็นเสด็จลุยข้ามแม่น้ำเนรัญชาทรงสงสารแล้วเสด็จขึ้นดำเนินมุ่งพระพักไปยังต้นมหาโพธิ์ เหล่าเทวดานาคยักษ์และคนทันเป็นต้นได้พากันบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมและเครื่องไล้ถาอันเป็นทิพย์เวลานั้นสดทิยพราหม์คนหาบหญ้าถือหญ้าเดินสวนทางมาทราบอาการของพระมหาบุรุษจึงได้มอบหญ้าให้แปดกำรรพระบพิสัต์ทรงรับหญ้าแล้วได้เสด็จเข้าไปยังโคนต้นอสัทพลกได้เสด็จเข้าไปยังโคนต้นอสัทธโพพลึก ซึ่งเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะดุดยอดเขาอาศิตันชนะป้องรัศมีดวงที่วากรมีร่มเงาเย็นสบายดุดพระไทยของพระองค์ที่เย็นไปด้วยพระกรุณากาศจาการชุมนุมของหมู่วิหกต่างๆมีกิ่งใบหนาทึบต้องสายลมอ่อนดุดฟ้อนอยู่และดุดเออบอิ่มด้วยปีติตองแสงจับหมู่ไม้แล้วได้ประทับยืนอยู่ทางด้านทิศทักษิณ ก็สถานที่นั้นได้หวันไหวแล้วดุดหยาดน้ำบนใบบัวพระมหาุรุษทรงดาริว่าสถานที่นี้ไม่สามารถรองรับคุณของเราจึงได้เสด็จไปทางทิศปัดฉิมแม้สถานที่นั้นก็ได้หวันไหวอย่างนั้นเหมือนกันพระมหาุรุษจึงได้เสด็จไปทางทิศอุดร อ, อีกแม้สถานที่นั้นก็ได้หวันไหวอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นพระมหาุรุษได้เสด็จไปทางทิศตะวันออก สถานที่ขนาดเท่าบันลังตรงทิศตะวันออกนั้นไม่วันไหวพระมหาุรุษทรงแน่พระไทยว่าสถานที่นี้เป็นที่กำจัดกิเลสจึงทรงยืนทางด้านทิศอุดรเฉียงตะวันออกทรงจับปลายกามย้าเหล่านั้นสะบัดทันใดนั่นเองก็ได้มีบันลังประมาณสิบสี่อกย้าเหล่านั้นเหมือนใช้ผู้กันเขียนเป็นแนวเรียบงดงามวิจิตพระมหาุรุั้นได้ประทับนั่งขัดสมาธิ สามชั้นติงสันธินะติงสันธิปลังกังอาภูชิตวาก็แปลว่าคูปลังสามต่อหรือว่าสามมุมนะก็เป็นการนั่งสมาธิควอจริงแล้วสองชั้นนะนะแต่ว่าเมื่อพับไปพับมาก็กลายเป็นสามก็หมายถึงนั่งพับพระอุรุช่วงขาอ่อนพระชนุช่วงเขา่าแล้วก็สะเอลตรงโคนขาอ่อนอีกหนึ่งก็รวมเป็นสามที่ต่อนะมีสันฐาน เป็นสามมุมแต่ว่าเรียกว่าเป็นสมาธิเพชรสมาธิสองชั้นบนบัลลังก์นั้นทรงอธิษฐานความเพียรมีองศีด้วยคำดำริว่าด้วยทรงดำริว่าหนังเอ็นและกระดูกนะจงเหลืออยู่เนื้อและเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้าเรายังไม่ได้บรรลุสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุด้วยกำลังความเพียร ความบาปบั่นของบรุษก็จะไม่ขอหยุดความเพียร น, นั้นได้ทรงอธิษฐานว่าถึงแผ่นดินใหญ่จะม้วนกลับถึงเครื่องเครื่องประหารพันชิ้นจะตกลงมาถึงขนทางในป่าจะแยกออกถึงกองฐานเพลิงจะตกลงมาถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ขอหยุดความเพียรแล้วทรงประทับนั่งณนะโคนต้นโพประทับนั่งที่โคนต้นโพแล้วก็ ผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระไปิสดงก็ไปทางต้นโพประมาณาขนาดห้าสิบดอกซึ่งเป็นดุจแท่งเงินที่วางไว้บนต่างทองคำมีกิ่งโพดุจฉัดแก้วกลางกั้นอยู่เบื้องบนยอดโพตกลงบนจีวรที่มีสีดุจทองคำของพระมหาบุรุษนั้นก็ได้รุ่งโรดเหมือนแก้วประภานที่เก็บไว้ในแผ่นทองคำเพราะเหตุนั้น พระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวว่าพระมหาบรุษเองทรงพลังนารายณะทรงสำเร็จอภิญญาพละเสด็จมาสู่โพธิมณฑลเพื่อเอาชนะให้แก่โลกทั้งปวงในคาถานั้นคำว่านารายณะพโลทรงพลังนารายณะความว่าก็พระมหาบรุษนั้นทรงพลัง พระวรกายของพระองค์เท่ากับกำลังของช้างหนึ่งพันโกดเชือกทรงสามารถจะข่มมารหลายแสนโกธทรงถึงความสำเร็จในอภิญญาพละเสด็จเข้าไปถึงอัปราชิตบัลลังนโคนโรพพฤกเพื่อเอาชนะคือเพื่อถือเอาชัยชนะให้แก่สัตโลกแม้จังติ้นที่ชื่อว่านารายณพละในคาถานั้ น, นก็คือกำลังของพระนารายณ์เนะ อ่ากำลังของพระพระนารายซึ่งจะเปรียบกับช้างนะเปรียบได้กับช้างหนึ่งพันโกดเชื่อง ถ, อถือว่ากำลังของบรุษถึงหนึ่งหมื่นโกดหนึ่งหมื่นโกดคนนะนะซึ่งก็เดี๋ยวจะเอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นนะก็ขอให้ท่านได้ฟังเกียรติศัพท์อันงดงามของพร ะ, ะคุณในพระคุณของพระโพธิสัตวนะ์ออกมาหาพิเนศรมแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาปิติปราโมทเพื่อจะน้อมนำไปเกื้อกูลแก่การอบรมไตรสิกข า, าเป็นพระเป็นกำลังในการเจริญอินทรีย์ห้าเพื่อตับรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในการไม่เนินช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ